ถ้าทำมาเทศนาของท่านหลวงตานั่นลงตักทีนาและอยงตอนดีก็เอาไม่ดีก็เอาตอนที่หยึ่งอจะถามเหรอพ่อไม่ถามอ่ะปเปิดๆก็อาจจะรอบเปิดแล้วเปิดแล้วเอโยคิดว่าจะถามเนี่ย ตอนนี้โยมทำบุญทุกวันนี้นะคะโยมก็อธิษฐานแบบว่าบอกชื่อตัวเองด้วยแล้วก็บอกบุญกุศลที่ทําในวันนี้ยขอที่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอเจ้ากรรมใดเวนเทวดารักเทพรมทั้งหลายแม่ธรณีแม่พ้องคาแม่พระโพธิ์พระวให้หมดแล้วก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเจ้านานด้วยเจ้าบาทด้วยแล้วก็เศษทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายผีไม่มีญาติทั้งหลายสัตเล็กสัตน้อยที่เคยทํามา ทำแบบนี้จะได้ไหมเจ้าคะจะได้อ๋อเจ้าค่ะในสปรปสัทธ์ทั้งหลายด้วยเจ้าค่ะเราก็ปฏิบัติอย่าให้ลสงบวุ่ น, วนกวายใจอย่าดิ้นรนอย่าดิ้นรนอย่ากวนก็วายใจให้ใจมันสงบลมเย็นไม่ต้องดิ้นรนกวนก็วายไปให้ใจมันสงบลมเย็น ใจมาสงบลมเย็นมันก็รู้ทางออกมาเนี่ะเออใจไม่สงบลมเย็นมีแต่ดิ้นลนกระวนกระวายมันก็ยิ่งติดกับมันก็ยิ่งติดกับติดหนักติดร่นติดนี่ติดนั่นมากเกินไปยิ่งดิ้นร่นมากเกินไปยิ่งดิ้นร่นกระวนกระวายมันก็ยิ่งติดมากเราจะไปดิ้นร่นกระวนกระวายนะมันสงบใจไอจิตใจมีความสงบลมเย็น ทุกอย่างมันก็ไปค่อยไปค่อยสืบกายมีทางออกดูช่องทางของมันเห็นทางออกสังโลทั้องทำเลยแหละพอใจสงบแล้วเนี่ยทังโลภก็มองเห็นช่องทางออกได้ทำธรรมก็มองเห็นช่องทางออกได้ที่เราติดอะไรปฏิบัติเอ๊มจิตกัดมันทําไมวนไปวนมาไม่ค่อยเก่าหน้าปฏิบัติกระบวนกับไม่ได้เก่าอีกปฏิบัติแล้ววนมาที่เก่าอีกเราอาจจะไปรีดลนกับเสืองกัะสนอจะรีดลนก้นหนาเย็นพยายามพยายามวุ่นวายใจ มัน่ติดยิ่งดิดลนยิ่งติดยิ่งยินงยิดดง ต, ดดงติดให้มันมีความสงบใจมีความสงบลมเย็นภายในจิตใจเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมีทางออกของมันทั้งทางโลกทังธรรมนั่นแหละค่อยๆมีทางออกแล้วก็ใจมันก็พ้นจากทุกสิ่งไปได้นะบางบางครั้งมันจะาค่หนุนดาบางครั้งนี่มันก็เหมือนเหมือน อ้างว้างว้าเ ว, าวเหมือนไม่มีที่ยึดที่เกาะอย่างเงี้ยจ้าค่ะแต่บางครั้งมันก็สว่างนั่นแหละเรายิ่งสว่างยิ่งไม่มีที่เหมือนไม่มีที่เกาะบางทีสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งดิ้นรนกับเสือกระสนปัหาเหมือนมันติดอยู่ในอะไรสักอย่างเลยเนี<ม>่ยเหมือนเราติดอยู่ในอะไรน่ะของมายาที่เราก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เราเนี่ย ติดอยู่ในนั้น h, น gam, ่ะหากถ้าออกไม่เจอผักไปด้านนี้ผักด้านนี้ผักด้านนี้เราไม่รู้เราติดเจออะไรเหมือนกับเป็นค้อแก้วอย่างหนึ่งแต่ค้อแก้วเนี้ยเราก็มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรหรือมันดีหรือมันไม่ดีสลับไปสลับมาเราก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรติดอะไรเราก็ยื่งดิ้นใหญ่จะให้มันดีจะหนีออกจากที่ไม่ดีจะให้จิตมันดีหนีออกจากอาการจิตที่ไม่ดีจะให้มีแต่ดีอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ดีไม่มี มันยึดติดกับใหญ่เลยทีนี้มันเลยเหมือนกับติดอยู่ในขอบแก้วที่มองไม่เห็นเนี่ยติดอยู่ในมายาสักอย่างที่มองไม่ออกเราก็พอผักวันนี้ก็ติดผักวันนี้ติดมันเหมือนไม่ติดอะไรแต่พอดิ้นยอะไรก็ติดหมดดิ้นอะไรก็ติดทีนี้เหมือนกับออกไม่ได้มันติดอยู่ในรูปปองรูปปกฟองตะบู่เราจะไปดิ้นย่งนังไงเราก็ใจเราเนี่มีความสงบร่มเย็นมันจะเป็นยังไงก็ยอมรับมัน ยอมรับสภาพตามความจริงมันในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับมันตามความจริงในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันพอจกกิตใจมาสงบลมเย็นยอมรับแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยแผ่หมดนแหละก็เราก็ทําอยู่แล้วสวดมนต์ไหว้พระมาพึ่งปฏิบัติธรรมเราก็ทำอยู่ แ, ล, ล, แล้วเรา ก, ก็แผ่อุทิศส่วนกุศด้วยอาจากกรย์มาสงบลมเย็นนะแดดไปเครื่ยวอยู่เที่ยวอาศัย เดี๋ยวมันก็ค่อยๆมีความสงบลมเย็นมีความว่างเปล่าไปเรื่อย ๆ, ๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะไปติดอะไรมันมั น, มนยิ่งมีความสงบลมเย็นมีความว่างเปล่าอย่างไรก็ไปจิดอย่าไปติตใ้ความสงบลมเย็นความว่างความสว่างเนี่ยเราก็จะไปติดมันเพราะว่าพอเราไปจิตปุมันเป็นมายาเลยมันเป็นเหมือนกระจกไอ้อออไรละ่ะห้องกระจกแก้วมาขวางเราเลยที่เรามองไม่เห็นน่ะมันติดเลยตอนเนี้ยเรายิ่งมีความสงบยิ่งมีความเบายิ่งมีความสว่าง เราก็ยิ่งกระเสือกกระสนจจ อ, อยัมันเป็นสงบเบายิ่งสว่างยิ่งขึ้นไปความมากขึ้นไปแต่ไม่ติดอยู่หนยะู่นอกกระจกเลยเราก็แค่รับรู้จิตใจมีความสงบมีความโล่งมีความเบามีความสบายมีความสว่างมากเลยเราก็แค่รับรู้รับรู้รับทราบพอถึงข่าวที่มันไม่ไม่สบายไม่โล่งไม่สว่างเราก็แค่รับรู้รับทราบให้มันยอมรับตามความจริงในขณะปัจจุบันแหละทุกขณะปัจจุบันน่ะ ความจริงมันเป็นยังไงอะเราก็ยอมรับมันไปเรื่อยๆใจที่ยอมรับเนี่ยมันทําให้ใจของเราเนี่ยมันพ้นจากทุกข์ได้ไอ้ใจที่ไม่ยอมรับอะดีจะเอาไม่ดีไม่เอาเนี่ยอันนี้มีแต่ความทุกข์ที่มันฝืนความจริงไงที่หลวงปู่แหวนว่าทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอเนี่ยมันฝืนความจริงฝืนความจริงก็คือว่าขณะนี้จิตมันเป็นอย่างเนี้ยแต่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้น พอขณะนี้จินเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้มีแต่ความอยากเราเลยมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับสบภาพตามความจริงจริงจะไหนก็ยอมรับตามความเป็นจ ร, ริงจิตเราก็จะปลดจากทุกข์นะบอนอย่างที่บอกว่ามีลูกศิษคนหนึ่งไปหาหลวงปู่ทาจารุธโรมโอสถดิน ล, ลนเนี่ยจิตมันผองใสมากเลยจิตมันมีความสงบลมเย็นมากเลย อยากให้มันมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสงบรื่มเย็นแล้วพอจิตมันพุ้งซ่านจิตมันไม่ผ่องไสหมุดหงิดมากหมุดหงิดแล้วพยายาม ต, ต่อสู้กับมันต่อพยายามต่อสู้กับมันอยากจะให้มันเนี่ยมีแต่ความผ่องไสมีแต่ความสว่างสวยัยมีแต่ความสงบรื่มเย็นไม่ต้องการจิตที่มันพุ้งซ่านไม่ต้องการจิตกินมันเศร้าหมองก็เลยมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์มากเลย ตรงตามหาบัวท่านก็พูดท่านก็เคยพูดไว้ว่าท่าก็ติดตรงนี้นานติดอยู่นี้พักใหญ่แหละแต่ว่าท่านขอใจจิตว่าท่านปฏิบัติถึงขนาด น, นี้แล้วทําไมจิตมันยังเศร้าหมองได้อีกมาทำไมไม่ผ่องใสอย่างเดียวพอจิตมันผ่องใสมากมันเหมือนทะลุฟ้าไ ป, ไปบางทีมันมันสว่างสวยผ่องใสมากบางทีมันเหมือนกับเขายิงพุ วันเฉลิมประชวภาษายิงกับบรรยากาศปุ้งมันเหมือนกับเดี๋ยวทะลุฟ้าทะลุดินโอ้โหทำไมมันโลดโผนแบบนี้มันเหมือนกับทะลุฟ้าทะลุดินแล้วมันผองใสมากเลยอ่ะเอาเดี๋ยวทำไมมันเศ้าหมองได้อีกแต่ก็ว่าทําไมเดี๋มันผองใสมันเศ้าหมองมันแค่ทำไมไม่ผองใสอย่างเดียวตอนนี้ทำกับพยาที่จะต่อรู้มาให้มันผองใสอย่างเดียวไม่ให้มันเศ้าหมองอีกเลยยิ่งมีความทุกความเครแยนใจมากเลยสนิท ที่ตอนท่านหลุดพ้นเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยอท่านหลุดพ้นที่ตรงวัด้อยสมเจดีที่ที่สกล น, นครตรงที่เราเคยไปอยู่ ใ, ใกล้ๆเนี่ยเราไปอยู่ความปัวว่านที่วัดป่านาหมิ่มิตาจาท่านประมาณหกกิโท่านเป็นสมเร็จที่วัด้อยสรรมบเจดีท่านบอกว่าเนี่ยถ้ากะต่อสู้กับมันเนี่ยภายในจิตใจเนี่ยจะให้ผิดมันผองใสอ ย, อย่างเดียวไหมให้มันเศร้าหมอง จิตที่ผองใสเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาเพราะเราชอบมันถูกใจเราสิ่งใดก็ตามอาการใดก็ตามที่มันมันถูกใจเราเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นสุขเวทนาแล้วก็จิตที่มันมันเศ้าหมองมันไม่ผองใสเนี่ยมันไม่ถูกใจเรามันก็เลยเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่ถูกใจเรานี่แต่มันแค่ขั้นว่าอาการนั้นนถูกใจกับไม่ถูกใจไม่ใช่ว่าถึงขั้นไปยึดเลยไม่ใช่ว่าถึงขั้นไปยึดแต่พอไปยึดปุ๊บ จะให้มีแต่ความผ่องใสไม่ให้มีความเศร้าหมองอันนี้ยึดเลยจะยึดยึดเป็นความทุกข์จริงๆนะนี่เป็นความทุกข์จริงๆแต่ถ้าอาการของจิตที่มันผ่องใสเนี่ยมันเป็นแค่สุขเวทนาเพราะว่ามันเป็นอาการที่ถูกใจมันเลยเป็นสุขเวทนาแต่อาการของจิตที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสมันเป็นมันไม่ถูกใจมันเลยเป็นทุกขเวทนาแค่สุขเวทสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นขันธ์ที่สองของขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันก็มีรูปเวทนาสัญญาทังขามิญญาณ แลง้นเวทนาขันเนี่ยมันก็มีทั้งสุกเวทนาทุกเวทนาอทุกขขมสุขเวทนาคื อ, ขขอมันเป็นกิริยาการหรือสิ่งที่เราประสบการกระทบทาตาหูจมูกนิ้นกายใจหรือมีอาการทางใจเนี่ยถ้าในขณะปัจจุบันเนี่ยเราผัสสะหรือกระทบทาตาหูจมูกนิ้นกายใจรวมทั้งอาการทางใจด้วยที่กระทบทางใจมันถูกใจเรามันก็จะเป็นสุนกเวทนา ถ้าไม่ถูกใจเรามันก็เป็นทุกขเวทนาถ้ามันเป็นกลางๆไม่ถึงกับถูกใจไม่ถูกใ จ, ม, กใจมันก็จะเป็นอาทุก ข, ขมาทุกเวทนามันก็จะต้องสลับกันตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปกระทบหรือไปผัสสะในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นทุกครั้งขณะที่ในการกระทบทาตาหูจมูกลิ้นกายใจอถ้ากระทบขณะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนั้นเนี่ยมันถูกใจเรามันจะเป็นสุขเวทนาถ้ากระทบขนาดนั้นไม่ถูกใจเราก็จะเป็นทุกขเวทนาถทำไมถึงข่านถูกใจไม่ถูกใจ มันก็จะเป็นอาทุกขมสุขเวทนาเฮ้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกกรสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดามันเป็นขันธ์ห้ามันตบอยู่ใต้กดแห่งความไม่เที่ยงมันเลยต้องสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขบ้างทุกขบ้างจะเป็นอาทุกขกรมสุขเวทนาบ้างแต่มยังไม่ได้เป็นถึงขั้นยึดไอ้ขั้นที่เป็นสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกรสุขเวทนาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกิเลสอะไร พระพุทจ้าว่าอะนักหลายก็ต้องมีสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกรมาสุขเวทนาเพราะมัน เ, เป็นขันห้าแต่ถ้าไปถึงข่านยึดคืออะไรถึงขารนยึดคืออยากให้มันมีแต่สุขเวทนาพอมันเกิดอาการทุกเวทนาคือไปกระทบหรือไปผัสสะภายใดภายภา ย, ภ, ายภายภายนอกและภายในคือรูปร่างจิตเสียงสัมผัสและอาการทางใจเราไปเจอสิ่งที่มาถูกใจ แล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นปกติรั้งเดิอพอกระทบสิ่งที่ถูกใจมันก็เริ่มมันก็ถูกใจกระทบสิ่งไม่ถูกใจมันก็มันก็มันก็รุ่เออมันก็เป็นสิ่งไม่ถูกใจกระทบใจอาการก็อุทกังสุเพจนาแต่ถึงขั้นยึดจะให้มันถูกใจตลอดแล้วก็คนบริบาลทั้งหลายก็ภาคตรงนี้ที่บกว่าใจมันจะผ่องใจผองใสแล้วอยากนั้นผ่องใสให้มันสว่างสวยให้มันสงบร่มเย็นอย่างนั้นตลอดเวลาไม่อยากให้มันมีความฟุ้งซ่านอีกเลยอยากไม่อยากให้มันเศร้าหมองอีกเลย ไอ้ความพิจาถถ้ามันเกิดหน้าเดียวคือหน้าที่เราเป็นสุขเวทนาเนี่ยเราจะเอาหน้าเดียวแล้วเราเป็นทิศใจเราเปฏิเสธขณะในปัจจุบันนั้นที่มันเกิดทุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยอันนี้มั น, น idir, ยึดแหละนนี้เป็นยึดมันไม่ได้เป็นเวทนาธรรมดามันยึดคือมันอยากยังให้ประสบพบกับสิ่งที่เป็นสุขเวทนาอย่างเดียวอาการของใจก็อยากให้มันส่องใสสว่างสวยเบากายเบาใจโป่งโล่งเบาสบายว่างอย่างเดียว พอมันอาการของใจจะเป็นสั่งตรงข้ามมีอาการตรงข้ามกับที่กล่าวแล้วเนี่ยต้องหุดหิดลาคาญพยายามยึดลนผัดไสจะให้มันเป็นแต่อาการที่เป็นถูกใจเราอย่างเดียวคือเป็นสุดเวทนายอย่างเดียวอันนี้ยึดแหละยึดแล้ว เ, เป็นทุกข์เลยตรงเนี้ยเป็นทุกข์เราก็ทุกข์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยหลวงตามมหาบัวท่านก็แบบอย่างนี้เนี่ยเราปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเย็นมาถึงขนาดนี้แล้วอุกิจเป็นขนาดนี้แล้วทําไมมันดิดมันคลองสายอยู่ ม, มันมันจะไปเศร้าห ม, มองได้ พยายามจะต่อสู้กับมันพยายามให้มันเนี่ยทุกสี่ช้าให้มันมีแต่ความผองไสไม่เศ้าหมองอีกเลยถ้าเข้าใจว่าเท่ามันผ่องใสอย่างเดียวก็จะบรรลุอรหันไปกระดาษที่ท่านต่อสู้กับมันอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนบนยอดดอยพระตำเจดีเนี่ยทำก็ปรากฏว่าอย่าเป็นพระอรหันต์แต่อรหันต์ทำอย่างนี้เหรอไอ้ที่อาการที่เป็นสุขเวทนาจะเอา อาการที่เป็นทุกขเวทนาไม่เอาไอจิตผ่องใสมันเป็นทุกขเวทนา jumped, sure kind of ina, ไม่ใช่หรอแล้วการที ize, ουν, Bilder, yep. ่ไม่ผ่องใสมันเศ้าหมองมันเป็นทุกขเวทนาไม่ใช่หรอแล้วเวทนาเนี่ยมันเป็นขันที่สองของขันอย่างนั้นะเวทนาขันเนี่ยมันก็มีแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวที่ไม่ต้องมีทุกขเวทนาด้วยอยากเป็นอาลัยหันแต่ไอจิีจะอยูใจจะเอาไว้ที่ในอกใจจะไม่เอาปฏิเสธแล้วก็อยากเป็นอาลัยหันอย่างเงี้ย มาหลานทําอย่างนี้เหรอคือสิ่งที่ถูกใจจะเอาไว้สิ่งที่ไม่ถูกใจก็นที่ล้นพิเศษหลานทําอย่างนี้เหรอทมว่าเอาว่าเอาว่าเอาตั้งหลังไม่ตัวเลยปล่อยวางหมดเลยอยอมรับตามความเป็นจริงเลยจัดบรรลุหลานตอนนั้นเลยอ่ะแต่พอเวลามันเกิดขึ้นโยมก็คิดว่าก็ถามว่าเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานนี้โยมก็คิดว่าเอาเอาสิ่งที่ปลอบใจก็คือว่า อ๋อมันไม่เที่ยงเนอะมันไม่เที่ยงแบบนี้ก็เลยก็ค่อยๆคลายลงเจ้าค่ะจะค่อยๆคลา ย, ย, ย, ยแต่ยังรีลดลนอยู่ในจิตใจอะ่ะไอ้ที่นี้จะเอาปฏิเสธได้ที่ไม่ดีจะเอาแต่จิต ด, ดีๆจะเอาแต่จิตที่สวา่างที่สว่างผองใสมันก็เลยมีความทุกขน์นะเพราะว่ามันยึดท่านรู้วลหานก็ติ้งยึดติ้นยึดืติ้นยึดก็ที่ ลูปิษย์จหารหลวปู่ทาที่บอกว่าโห้ยเครียดกับอะไรจิตมันมีอาการบางจิตมันพุ่งซ่าพยายามจะดิ้นรนหาให้มันสงบให้มันไม่พุ่งซ่าโมโหกับมันมากเลยสูกต่อตูกกับมันอยู่ตั้งนานอยเอาแต่สงบพุ่งซ่าไม่เอาพอเจริญภูษานหลวงปู่ทาบอกว่าสงบก็เอาพุ่งซ่าก็เอาเอามันทั้งนั้นแหละเนี่ยถ้าพูดราษาอีสานแค่นั้นแหละใจมันว่าเปล่าไปเลย มันเฉาสงบหรือมันฟุ้งซ่านแต่ใจมันว่างเปล่าไปเลย แ, ลแตจะเป็นก้ถามว่าจะหนีไปที่ไหนดีผมบอกว่าต้องเข้าใจ <c oughs> แล้วก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงอ่ามันเป็นยังไงก็ยอมรับตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นสุดภเวชนะกับทุกเวชนาไปขั้นที่สองของขอันห้ารเราจะไปเลือกข้างเดียวได้อย่างไรพอใจยอมรับตามความเป็นจริงอนะ่ะเนี่ย ก็บรรลุเป็นอรหันตสมาสพรพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกนะพระหลวงพระตามหาบัวเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ติดตรงนี้น่าจะว่าแต่ภาษาวกเลยพระพุทธเจ้าเขาพูดกับคิริมาโ น, นนนะ่ะพูดกับในคิริมาโนนเราสวดพูดกับพระอาโนนนะอะอาโนนเราเนี่ยในบรารมีของเราที่โอ้โหเราสร้างบรารมีถึงขนาดเนี่ยบรารมีที่สร้างมาเป็นพุทธเจ้าเต็มรอบแล้วเนี่ย ยังหลงก็ใจผิดว่ามเราดิดนนมาถหาตั้งหกปีเต็มเนี่ยโอ้โหทำความเพียนอย่างอุ ก, กิจอดนอนอดอาหารอดน้ำกั้นลมหายใจโอ้โหจบกรั้งสลบสลายตั้งหลายครั้งเกือบจาชีวิตไม่รอดไม่มีใครที่จะทระมานตนเองได้ทิ ก, กิจขนะดอุกิจแลขนาดท่านอีกแล้วขนาดพระองค์อีกแล้วแต่มีความเข้าใจผิดอยู่อย่างนึงคือว่า ท่านพระองค์เนี่ยปฎิฐานาความ้นทุกข์ปฎิฐานาความสุขที่ทุกข์ไม่มีเข้าใจว่าความ้นทุกข์หรือความสุขที่โหยหาเนี่ยเมื่อปฎิฐานาค้นพบมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์ก็เลยปัิฐานาปฎิฐานาเนี่ยแสวงหาอยู่ถึงหกปีเต็มเชื่อแสวงหาความสุขที่ทุกข์ไม่มีเด็เข้าใจว่าความ้นทุกข์หรือความสุข ที่สุดแห่งสุขเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วทุกข์ไม่มีฉันก็หาไม่เจอยิ่งมีความสุขเท่าไหร่ปฏิบัติได้จนถึงขั้นสุดท้ายไปปฏิบัติกับอาราบทก็ได้ฌานสมา บ, บัติที่เจ็ดไปปฏิบัติต่อกับโกทุกขาราบทได้ฌานที่แปดแต่มันก็ขัดถูกแต่ในในฌานพอออกจากฌานมาแล้วมันจะทุกข์อีกเอ๊แต่มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีไม่ไม่เจอเหรือแบบเนี้ย นนยิ่งมิจฉใหญ่เลยมิจคนหาจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวที่ทุกขไม่มีคิดว่ามันมันจะพ้นทุกข์ได้มันต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนมันต้องแบบว่าอุกิจที่สุดจนกระทั่งแบบมันไม่มีความทุกข์อีกเลยเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวฉันว่ายิ่งปรารถนาความสุขเท่าไรความทุกข์ก็เป็นเงาตามตั ว, พวเพราะมันได้อย่างใจสักทีมันไม่ได้อย่างใจมันไม่เจอแต่ไอ้สิ่งที่เป็นความสุขทุกข์ไม่มีสักที มันเลยนทุกขยากลําบากที่สุดเลยนทุกแสนสาหัสไม่เจอความสุขที่ทุกไม่มีองเลยยอมยอมยอมปล่อยวางความสุขไปเพราะว่าไม่มีหนทางที่จะทําอย่างไรแนละ้วที่จะหามันที่จะมีแต่ความสุขทุกไม่มีได้ยอมปล่อยวางความสุขคืนให้แก่ทุกข์ไปมันจะสุขหรือทุกข์ก็ยอมมันทางนั้นเอาไปทางนั้นเนี่ ทุกก็เอาถูกก็เอาเหมือนเราพูดท่าว่าก็ถูกก็เอาทุกก็เอ า, อ า, อ า, อ า, อาแค่นั้นะนะลูกคนนี้ผานเป็นอรหันต์สมาธิพุทธเจ้าเลยลูกเจ้าตัดเองนั่นในงที่มีมานอนเถิดพูกเจ้าก็กเคยเคยปฏิบัติขณะเป็ น, นองค์อรมานตมสมาธพุทธเจ้าเวลามาคูยเองก็ผิดแบนี้เหมอนกไม่สามารถนะอานนท์เราไม่สามารถจะแยกถูกออกจากลุกได้เพราะมันเป็นธรรมาชาติของคู่กัน ถ้าโหยหาแต่ความสุขไม่สามารถจะ้นทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะตามเป็นเงาตามตัวจะมีความชิ้นโหยหาความสุขมาทลายความทุกข์ก็จะมากเท่านั้นจิงรู้ว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติเราไม่สามารถจะพากขาออกจากกันได้จึงปล่อยวางสุขคืนให้แก่ทุกข์ไปยอมรับตามความเป็นจริง ผมจะเหมือนที่หลวงพุธทธเจ่ า, า บ, บอกโยมนะว่าลูกศิษย์ว่าสุกก็เอาทุกก็เอาเอามาทางนั้นแหละแก่นั้นแหละใจก็ว่าเฝ่าเลยเปิดลูกตามหาบัวก็ปร่งใสก็เอาไม่โปร่งใสก็เอาเอามาทางนั้นแหละลูกป่อยวางป่อยวางวก็บรรลุอลหรหัตเจ้าอยวางค่ำคืนให้แก่พวกก็บรรลุเป็นอหรหันตสมาสามพุทธเจ้า พระองค์ตักคนในในหนังในเรื่องทุกเจ้าหาสัตการะโลกคนเชาน้าจิตพอสัพพลูปุ๊บกล่าวคําหนึ่งที่ว่าเมื่อปรารสนะเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมความทุกข์หมดไปเพราะสิ้นความปรารถนาความสุขนะ เมื่อที่เราไปหัวใ ห, หาไปปาทธนาไปหัว ห, หาไปดินลลนุนอยากให้ได้จิตที่ระว่างอยากเดียวให้มันของใสอยากเดียวอันนั้นแหนะมันก็ไปติตกลับแล้วพระเจ้าตรัสว่าตอนเช้าเนี่ยพอสาเร็จเป็นหาสมาธิของพระเจ้าแล้วในหนังมหาสตุตดาโลกที่ว่าเมื่อความปรารถน า, นาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมหรือเมื่อความความปัทธนาความสุขหมดไป ความกลัวว่าจะเกิดความทุกข์ก็ดับไปยิ่งหงุหงิหาความสุขยิ่งทุกข์มากยิ่งทุกข์มากที่ปล่อยวา ง, งทั้งสุขและทุกข์หรือว่าสุขก็เอาสุข ก, ก็เอาอาการของใจจิต ด, ดีก็เอาจิตไม่ดีก็เอาเอาไปทางนั้นแหละมันก็พ้นจากทุกข์ได้พราะบรมครู สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าก็โอ้ก็ปฏิบัติเกิดจิตธาตุิตธาตมาก่อนเหมือนกันพระอรหันตสาวกก็จิตธาตุมาหลายองค์ท้ายพ็ปล่อยวางทุกข์คืนได้แก่ทุกข์ปล่อยวางจิตดีจิตดีก็เอาจิตไม่ดีก็เอาเอาซะแมนแหนะวางทุกข์คนจะทุกข์ได้เลยเอ๊ะใช่ไหมเจ้าใจจิตดีเจะเอาแต่ปฏิบัติดี เล่หปฏิบัติเนี่ยเอาแต่ดีๆนะเอาแต่ดีๆจิตไอของไม่ดีจิตไม่ดีไม่เอาอาการจิตที่ไม่ถูกใจไม่เอาเคยคาดหวังว่าปฏิบัติแล้วที่สุดแล้วมนจะมีแต่ความสุขความสงสัยความสงบอย่างเดียวและจิตสงบก็เอาไม่สงบก็เอาจิตดีก็เอาจิตไม่ดีก็เอาทุกก็เอาทุกก็เอาเอาไปทางนั้นแหละแค่นั้นแหละใจมันก็เลยว่าเปล่าจากทุกข์ไปเลยปฏิบัติแล้วเห็นแล้ว จิตมันหมุนชี้ชี้มันผิดทางมันหมุนไปหาความทุกอย่างเดียวจะไปเอาแต่ความทุกอย่างเดียวและปฏิเสธความทุกข์ปฏิเสธความไม่สบายใจไม่ได้ยอมรับตามความไปจินของอาการของจิตในปัจจบันทุกขณะปัจจุบันที่น้งปูแหวนใช้คําพูดว่ามันทุกหนอทุกหนเนี่ก็เพราะมันพยายามฝืนความจริงเนี่ยความจริงในปัจจุบันที่มันฝืนฝืนทุกเพราะฝืนความจริงพยายามฝืนความจริงในปัจจุบันนจิตมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ แล้วก็หวยหาแต่ความกุศุลไม่มีเนี่ยหวยหาแต่จิตที่สว่างสวายที่มันทองใสพยายามจะปฏิบัติมุ่งไปสู่ความทองใสความสว่างสวายอย่างเดียวเอาใครจะถามอะไรมาถามใหม่เนี่ยอ่านไหมจะเล่าให้เราฟังก็ได้นะว่ามันปฏิบัติเข้าใจไม่เข้าใจยังไงหเราจะได้รู้ว่าผิดหรือถูกไงเอาเราเล่ า, าฟังก็ได้เอา คนกำลังน้อยน้อยเยวคนมากมันเยอะคนมากแล้วก็เอาถามได้อะโยมว่าคิดคิดอยู่ไอ้ทำไมปฏิบัิเนี่ยมันก้าวหน้าหรือมันถอยหลังเออก็ไม่เห็นไปไหนเลยคิดแบบนี้เอ้เป็นยังไงแต่ก็มีความดทนว่ า, วาเออสู้ต่อไป <laughs> เออก้าวหน้าก็เอาถอยหลังก็เอาเอามานงนั้นแหละ <laughs> อยากยให้มันจะก้าวหน้าไม่ให้มันถอยหลังมันเลยทุกข์มากพูดอะไรเข้าเนื้ออมดเราอยู่ๆเรามีความรู้สึกนะที่พระพุทธเจ้าฟางผสมเทศศสนาเราก็เห็นไหมพระพุทธเจ้าปางผสมเทศสนาเนี่ยที่ปางผสมเทศศาสนาเนี่ย จะมีมือมือสองข้างเกี่ยวกันเนี่ยเคยเห็นไหมบูเจ้าลูกลูกบูเจ้าปามผสมลิศนาจะมีมีมือสองข้างเกี่ยวกันอ้าไม่เคยเห็นแค่เหรอไม่ได้ยินเลยไม่ีอ่ะบูเจ้าปามผสมลิศนาจะมีมือสข้างเกี่ยวกันเนี่ยแค่แค่ตอนเนี้ยจะนิ้วไหนเกี่ยวเนี้ยแต่มือมือข้างหนึ่งจะหันหน้าออกมือข้างหนึ่งจะหันเข้าหาตัวเองอีกมือมือมือข้างหนึ่งก็หันหน้าออกข้างนอก อ่านหน้าออกนอกตัวเองอี่มือข้างมังก็อ่านต้องหาตัวเองเออเออเกี่ยวกันเนี้ยรูปแบบยี่นี่ไหนเกี่ยวกันเนี้ยปาฏิพงเทศนาอยู่ๆเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาเองในใจของเราว่าอ๋อพระพุทธองค์อ่ะน่าจะาแสดงธรรมว่าแสดงธรรมัชิมาปฏิปทาเรื่องมัติมาปฏิปทาคือ สิ่งไรก็ตามเนี่ยถ้าเราชอบใจลูกที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจรสที่ชอบใจบทสภารสิ่งที่มาสัมผัสกายที่ชอบใจหรือว่าอาการนนิ์จิตกริยาอาการนนท์จิตที่ชอบใจเนี่ยเราก็ห่วยหาอยากจะเอาไว้อยากอยาได้อยากจะกให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยกลายเป็นว่ามือนึ่งเนี่ยมือข้างหนึงเนี่ยก็เข้าหาตัวเองเอ่อ คือโกอเกาะโวยเอาเข้าหาตัวเองซึ่งได้ชอบก็จะเกาะโคยก็หาตัวเองแล้วก็ถ้าขณะจิตที่ไปกระทบกับลูกไม่ถูกใจเสียงไม่ถูกใจกลิ่นไม่ถูกใจรสไม่ถูกใจปวสภาที่มากระทบกายไม่ถูกใจกริยาการของจิตที่ไม่ถูกใจเชียมันไม่ไม่สว่างสวยไม่โปไม่โล่งไม่เบามันเหมือนกับกิริยาการของจิตมัน ของมันไม่ผ่องใสมันผ่องใสแล้วมันไม่ผ่องใสมันก้าวหน้าแล้วมันไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวจะให้มันก้าวหน้าอย่างเดียวไม่ให้มันถอยหลังให้มันผ่องใสอย่างเดียวให้มันเออไม่ไม่ผ่งใสไม่มีจะให้มันป่วยโรคเบาสบายอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ป่วยโรคเบาสบายจะให้มันไม่เกิดไม่ให้มีใจมันสุขอย่างเดียวใจทุกข์ไม่มีคือจะเอามัหน้าเดียวเว้ยเอ่อนี่พอได้ไอหน้าไดที่ไปถูกใจมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะเราไม่รีบเราจะเอาหน้าเดียวหน้าที่ถูกใจ ไอ้หน้าที่ไม่สุขใจเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นกระทบปุ๊บเราก็เลยผักใสมันก็เลยบึอยข้างหนึ่งเนี่ยมันก็เลยหันหน้าออกไปนอกตัวเองเป็นแบบผักไสสองมือเนี่ยก็เลยมาเกี่ยวกันมันเลยเกี่ยวกันไว้เพราะว่าไอ้ที่ชอบใจจะเอาไอ้ที่ไม่ชอบใจจะผักไสมันเลยมาเกี่ยวรักกันไปรักกันมารักกันไปรักกันมาเนี่ยกว่าปุ๊บปุ๊มันเลยอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ปล่อยวางเรียก่เรียก ปางไปปางผสมประเทศศาสนาเนี่ยเขาไม่มีไม่มีบรรยายก็้หรอกแต่เราเข้าใจด้วยใจเราอย่างนี้แหละว่ามือข้างหนึ่งมันผากมองนอกตัวเองหันหน้าออกนอกตัวเองมือข้างหนึ่งมันนั่นก็อาตัวเองแสดงถ้าม้าชอบใจก็จะเอาไว้เออตัวนี้ถ้าอะไรก็ตามที่ชอบใจอ่ะถูกใจแล้วเราจะเอาไว้เป็นกรรมเป็นกรรมาตันหาแต่ถ้าไอไม่ชอบใจเนี่ยมันมันมันผักออกไปอยากจะผักไปก็เป็นตันหาอีกมันก็เป็นตันหาเนี่ย เนี่มันก็มีทั้งชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมเออมันก็เป็นตัณหาเั้นทั้งหมดเลยมันก็เป็นตัณหาแล้วก็เกี่ยวกันไว้เนี่ยตัณหาตัณกลามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยไอ้ที่ชอบใจก็จะเอาอ่ะคุอยากจะได้คูณจะเอาเนี่ยอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้เป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้วิภาวะตัณหาคือไม่ไม่ประสบค์กับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ พอสิ่งใดที่ไม่ถูกใจก็จะได้หลดผักไหลมันก็เลยเป็นตันหาทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเป็นตันหามันก็เลยเกี่ยวกันไวให้เป็นทุกข์เนี่ยเกี่ยวกันมือที่เกี่ยวกันไวสองข้างเนี่ยมันก็เลยปางปางผสมเลือดหนามมัเลยเกี่ยวกันไวมันไม่เป็นมัชชิมาปฏิปทาคือมันเกี่ยวละกันไว้คือติดชอบใจกับติดไม่ชอบใจอยู่เลยนะ่ยไม่ได้เกี่ยวกันไว้ให้เป็นทุกข์นี่ยเกี่ยวพันกันได้เป็นทุกข์มันล้างกันใช่ไมเพราะไอ้มือมันดันไอยมือมันมันจะล้างเข้ามันเลยเกี่ยวกันไป้างัวมันเป็นทุกใในจ ว่าปางตัดสัรู้เป็นยังไงปางตัดสัรู้ก็เป็นปางที่พระเจ้าตูมพะเจ้านั่งนั่งกัดสมาธิแล้วก็มือก็วางลงมือสองข้างก็วางลงบนหน้าตักของพระองค์ก็เลยเป็นปางตัดสะรู้แล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อก็ปล่อยวางแล้วล่ะปล่อยวางไอ้ที่มันเกาะเกี่ยวกันได้ทอ้ที่ไอ้ที่ถูกใจก็เอสูกใจก็จะเอาจะเอาไอ้ที่ไม่สุกใจก็จะผักนี่รถหผักใส่ก็เลยปล่อยวางทั้งหมดัไม่เกาะเกี่ยวละอ๋อไม่เกาะเกี่ยวกันต้งก็ปล่อยวางทั้งหมด ยอมรับตามความเป็นจริงยะถาภูไศยา น, นารทสนะเป็นประตูเก้าข้ามโลกประตูพระนิพพานเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือยะถาภูไศยา น, นารทสนะใจมันเลยยอมรับตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันอ๋อจิต ด, ดีก็เอาจิตไม่ดีก็เอาเอาเอามานันทั้งหมดนั่นแหละมันก็นเลยมันก็นเลยปล่อยวางมันก็นเลยว่างเปล่าจะเป็นมัตติมาปฏิปทาหรือเป็นกูเบขาเลยแต่เมื่อเช้าที่หลวงหลวงตาเทศนะคะโยมเพิ่งจะเข้าใจว่า อ๋อตอนที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเบาสบายอะไรมันก็ดีหมดที่นี่พอมาหลุงตาเทศเมื่อเช้าเนี่ยว่าเวลาไปหลวงตาไปไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยมีอาการอย่างนี้โยมเพิ่งจะเข้าใจมาเมื่อช้าเลยค่ะโอ้ยไปกราบครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ผ้าอาหารท่านก็คือมีแตะ่ว่าว่าะหว่างว่าเบามากเลยอย่างเงี้ยพวกพิจิตรีและจอบมากเลย เด็กนุ่มทีไปกอดเ้นโพที่พุทธเจ้าตัด ก, กระ้ไปกอดเ้นโพมาพ้นไปตั้งร้อยกว่าครั้งอะพยายาไ ป, าปกอดเส้นโพเอาให้ได้ถ้าขอเ้อนโพกลับมาบ้านตัวเองได้ทุกสายขอลับมาเลยอะโอยมันไม่ใช่กระลุที่นั่นได้ลราเป็นมันมาติดมีอย่างเดียวจะไปตุไไไกได้ไงมันจะพ้นุกได้ไงมันต้องยอมรับตามความจริงทั้งดีก็เอาไม่ดีก็เอาเอาไป้เท่นั้นแหละเออมันก็เลยวางวางปุ๊บมันก็เป็นมักดีมาปฏิภาแล้วเป็นผูเบิกขา เออมือมอเาดังสรมกัเลยฟังมืลงเห็นั้มันไม่เกะเกี่ยวกันอันนี้ก็ไม่มีแปลว่าที่ไรนะเรารแปลเองเรารู้สึกในใจอย่างเงี้ยเออก็แปลกันรู้สึกว่าเออใ่มันตัดใจบอกเตัดใจกเโอ้ให้ถามว่าไงอ่ะถามที่เราถามอ่ะถานว่ไง มีไว้ให้พี่เสียงกันนะสงสัยกันต่ออะไปฮะสงสัยอะไรอ่ะหลวงตาครับความขมหลังจากที่ที่หลวงตามาเชี่ยวทีแล้วนะ แ, แล้วบอกว่าให้ผมตัวผมเนี่ยให้ระวังเป็นเป็นเป็นคนคนหนึ่งกระบี่ที่ชื่อเอีย้ยกกอะไรครับเออนะกระบี่เลยนะเป็นกระบีท่ที่ชื่อเอีย้ยกก ใช่ไหมครับจำไม่ได้แล้วมีมีหลงตาเอียกล้วยเป็นไงอะ่ะที่บอกว่าอา่ศึกษาไปทุกสำนักแต่เวลาโรคกระแลจ ะ, ะคูแล้ว<ห>แพ้<อ>แพ้<อ>ครับ<อ>ก็ผมก็ได้สติว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วรอช้าเดี๋ยวจะตายไป้วก่อนออผมก็เลยเริ่มจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็เลยเลือกเลือกอย่างที่พระอาจารย์ให้เลือกตามจริตของตัวเองผมก็ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับว่าทําสติให้รู้ทําให้ตัวเองรู้ตลอดถ้ามันฟุ้งซ่านไปก็ปฏิบัติโดยการพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่า เริ่มจะมีสติดีขึ้นก็คือจิตนิ่งนิ่งก็คือสามารถที่จะนั่งภาวนาพุโทโธได้จนบางทีก็เป็นชั่วโมงซึ่งจะก่อนทำไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็มันก็เหมือนเหมือนกับว่าบางทีตั้งใจจะนอนแต่ก็เคยให้กระจกว้ว่าถ้าจะนอนนี่ต้องนั่งสมาธิก่อน แต่วันนี้ไม่ขี้เียบมากเลยก็ลงตัวนอนแล้วก็ขี้เกาขี้โกงหน่อยๆก็ว่าถ้าจใจแวบ อ, กออกจากพุทโทธจะนอนเลยเพราะว่าถ้ามันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะได้นอนเร็วไงเพราะว่าเมื่อก่อนมันแวบออกเรื่อ ย, ยก็เลยเอาละแวบเมื่อไรกูจะนอนแวบเมื่อไรจะนอนปรากฏว่ามันไม่แวบเลยครับ โอ้นั่งไปตั้งนานจนชั่วโมงลืมตาขึ้นมาเฮ้ยชั่วโมงหนึงแล้วเหรอเนี่ยมันทําไมเป็นอย่างนั้นครับโดยสามฐานาช่วเห็ุแล้วก็ปฏิบัติเข้าสองสองเปลี่ยนเข้าเดี๋ยวนอนกิเลสหล่อหมดพยายามอยากจะนอนรอใจที่พ้นภูเขียนหลับเราจะเอาที่เอาเวลาเป็นหลับปฏิบัติกําหนดพยายมกำหนดเวลาเป็นหลับ ตอนนี้แล้วถึงตอนนี้จะนอนแล้วเราจะปฏิบัติเอาเวลาเป็นหลับปฏิบัติเอาาจที่พ้นทุกข์เปหลับยังยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่รู้ยังไม่เห็นไม่เข้าใจกับปฏิบัติไปเรื่อยแหละมันม่วงก็อนเดี๋ยวพวกไปนอนมนันก็เราทําความเพียรเนี่ยภูเก็ตนี่เราไม่นอนแล้วเราไม่สนใจหลับเวลาเวลานอน อ, อูกศิษย์เราเนี่ยเรื่องกปกติเลยมาอยู่กับเราเนี่ยไม่นอนกันสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันสิบกว่าวันเนี่ยไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืน ครัความเพี่ยนต่อเนื่องเลยเราเองเรื่องไม่นอนนี่เป็เรื่องเล็กมากเรื่องปกติน้องตาครับผมผมเนี่ยมีโรคเยอะมากก็คือเป็นโรคผมผ่าตัดตับแล้วก็เป็นโรคความดันก็จะงกังวลอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยทำไมนอนไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวความดันขึ้นแลไม่นอนหมอก็บอกให้นอนเร็วๆให้นอนเร็วๆทุกวันกลางคืนก็อย่าให้เกินสี่ทุ่มให้นอนเร็วๆ มันก็เลยกังวลยื้อก็อยู่อย่างนี้ครับอมันมันจะเป็นยังไงไหมครับนี่คือกังวลหลังจากที่ปฏิบัติตามที่หลวงตาบอกมันทําความเพียนมันต่อเนื่องมันตายเร็วแต่พ้นทุกกับตายช้าเป็นทุกข์เอาแนอมันจะไปกลัวตายหรอทําความเพียนมันต่อเนื่องห้ใจมันพทุกมันตายเร็วเงิมันพ้นทุกดีกว่า เรากลัวตายนอนเยอะๆนอนเยอะๆดีเกียบปฏิบัติแต่มันระหว่างที่นอนไปมีไม่ถือมีแต่ความทุกข์ในบนทุกข์เราจะเอาไงอ่ะตายช้ามีแต่ความทุกข์ตายเร็วมีบนทุกข์เนี่ยแต่ความจริงเนี่ยเราเพียรปฏิบัต mm ิใ hmm. ห้ความเพียรนั Their? Their mm. ้ม sure. mm ีแ hmm. ต่ความตายช้าไอ้บนนอนมากอใครตายเร็วไอ้คนกลัวตายเลยตายเร็วเลยเห็นคนที่ไม่กลัวตายอยากตายก็ตายแต่มุ่งสู่ความบนทุกข์อย่างเดียวมันสนใจสังขารร่างกายดูอายุยืนจะเป็นแถวเลย ยืดยืดกันโอ้ยถ้าไม่ถูกนิบากกรรมหนักประตัดร้อนเนี่ยอยู่กันยาวเลยอะ่ะดูดิเนี่ยร้อยกว่าก็มีอ่าตัวเนี้ยร้อยกว่าแล้วก็ท่านก็เป็นมะเร็งกันเป็นแถวหมด อ, อะ่ะแทบก็อยู่ต้องแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่ากันนั่นแหละถ้าไม่อยากตายท่านอยู่ได้นะปฏิฐานได้ใจของท่านในเกาะเกี่ยววัวพันแล้วเนี่ยไม่ติดรับติดชังแล้วเนี่ย ถ, ถ้าท่านอยากจะอยู่เนี่ยท่อยู่ได้เลย เออท่านอยู่ได้จริงจริงอธิษฐานอยู่ได้จริงแต่ท่านอยู่ไม่ได้เพื่อเพื่อกิเลสตนเองหรอกท่านไม่ได้ไม่ได้ห่วงใหญ่สำคาญกว่าปวดตายหรอกแต่ถ้าเป็นห่วงลูกศิษย์เท่านั่นแหละเป็นหวงโลกเป็นห่วงพศาสนาเป็นห่วงประเทศไทยแต่ก็เลยต้องฝืนเอะเลยต้องฝืนไม่งั้นอ่ะถ้าะตายถ้าก็อยากระตายตั้งนานแล้วเพราะอาสังขาล่างกายเป็นทุกข์ เมื่อก่อนเนี่ยเราไปใส่บาตรองตามมหาบัวสมัยก่อนเราเป็นกัลวาณ์โอ้ยท่านสุขภาพท่านแย่จะตายแล้วตอนนั้นจะมรณภาพนะตอนหลังมาก็เห็นท่านอยู่ ย, ยืนยาวยืนยาวมาว ไ, ได้จ้าหนุ่ยอายุเท่าไหร่แล้วตอนมรณะภาพอายุก็ยืนยาวมากเลยเป็นชรานะเห็นไหมนันแต่ละท่านเนี่ยพราแม่ครูบาอาจารย์เราที่เราไปอยู่ด้วยหลายท่านจนก็ต่อายุ่ยแย่แล้วไปแล้ว เราก็แอบไปขอให้ท <hosted by S 3> mm ่านต่ออายุขอขอขอขอเพื่อประโยชน์菩萨ศาสนาเพื่อประโยชน์เราประโยชลูกศิษย์เพื่อประโยชน์เพระพระพุทธศาสนาเห็นแก่เราลูกศิษย์ขยันปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าอยู่เป็นเป็นร่มโพล่มใจไปขอท่านอาจารยก็มาต่อให้อยู่ต่อให้พอท่านจะไปอีกก็ไปขออีกเนี่ยไม่ขออีกท่านก็อยู่ต่อให้ตอนหลังก็เฮ้ยไปขอท่านมากเข้า แรกเก็เอาอยู่ต่ออีกสองปีพอ ส, <ต>สองปีเสร็จท่านถาบไปเราไปรอแล้วเราแหละไปขอท่านดิไปขอท่านแล้วก็เอาอยู่ให้อีกสองปีอยู่ไปเงี้ยทีละสองปีสองปีตลอบไปขอท่านมากๆเข้เอาอายุเก้าสิบแปดแล้วไอ้เวมันูุหมดแล้วมันจะลากเสษรากไปไหนเนอมาเอาอะไรกับพระที่ชะลาล่างกายที่มันมันเหมือนเปลี่ยนผุผุหมดแล้วมาเอาอะไรกับสังขารล่างกายที่มันผุดฟังหมดแล้วให้เอาทํา จะเอาสังคารล่างกายเี่มันผูยกยวครูบาอาจารย์ที่มันผมกแม้แต่พรเจ้าว่าอรหารสาวกครบาอาจารย์ก็ต้องไปหมดทุกท่านะนะไหนไม่มีใครไ่ไปต้องแตกดับสลายไปหมดอาฆาตขันนะเอาทําปันที่พึ่งสังคาล่างกายอะไรเป็นห่วเล ย, เล ย, ค, น ค, ย, ยเคนที่กลัวตายอ่ะตายกันเร็วคนที่ไม่กลัวตายกับนี้ยืนสามารถพอจิตนั้นสิ้นความรักความจังแล้วมันก็นอยู่ได้สบายอยู่ได้ที่หัก็อยู่ได้แต่ไม่ได้อยู่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองหรอกอยู่เพื่อพระศาสนา ปอลูกตามหาบัวจะมรณภาพฉันว่ามีแต่คนมาขอรัตนาให้เราอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อแต่ไม่มีใครเลยมีคนหนึ่งที่รู้ว่าเราเนี่ยปวดทั้งตัวเลยเจ็บปวดไปทั่วสารพางกายเนี่ยไม่มีส่วนใดในร่างกายของเราเนี่ยที่จะไม่ปวดเลยยากที่คนธรรมดาทั่วไปทั้งหลายเนี่ยจะทนได้เราปวดทัหมดในทั้งตัวน่ะทรมานแต่สาหัสเราทนไม่ไหวแล้วแต่คนทั้งหลายก็อยู่ก่อนอยู่ก่อนว่อยู่อยู่อยู่ แต่สุดท้ายถ้ากระทนไม่ไหวแล้วยัอมยอมแพ้สังหารตัวเองกย